ปฏิบัติธรรมไม่ใชว่ว่าจะไม่มีปัญหาปัญหาจะน้อยลงไม่ใช่ใช่ไหมคะคือคือ <c oughs> ปัญหามันก็มันก็แต่ละคนก็ต้องมีปัญหาของมนันน่นแหละแม้แต่พระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านก็ต้องมีปัญหาหท่านแก้อยู่ตลอดแหละนะพระพุทธเจ้านี่ยคิดดูสิคือภาษาวกทะเลาะกันภาษาโวกทะเลาะกันท่านกพ็พระพุทธองค์ก็ยอมห้าม พุทธองค์ห้ามก็ไม่ยอมรับฟังห้ามยังไงก็ก็แบ่งพวกแบ่งแบ่งพรรคแบ่งพวกกันเลยตอนเนี้ยห้ามยังไงก็ไม่ยอมฟังเห็นไหมพุทธองค์ก็พยายามห้ามพยายามปรามพยายามที่จะเนี่ยไอ้ที่พพุทธองค์เนี่ยต้องตั้งศีลมาถึงสองร้อยี่สิบเจ็ดข้อทีละข้อทีละข้อก็อเพราะว่ า, วาเนี่ยมันมีปัญหามันเป็นมีปัญหาพุทธองค์ก็ต้องมาแก้แล้วก็ตั้งศีลขึ้นมาทีละข้อทีละข้อว่าห้ามละเมิดศีล อ, อย่างนี้นะเนี่ยแล้วที่ตัวละก็ เอาสิเนี่ยมาทะเลาะกันภาษาโวของพุทธองค์อแหละลูกศิษย์หลวงพ่อองค์อะทำไมจะไม่มีปัญหาแล้วมีปัญหาพระองค์แก้แต่ใจพระองค์เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ปัญหาเนี่ยมันมีอยู่แต่ใจของพระองค์ไม่มีปัญหายิ่งมีมีลูกศิษย์มากมีคนมากก็ต้องมีปัญหามากมีเทวทัตเนี่ยก่อกวนตลอดเลยมีเทวทัตก่อกวนตลอดแล้วยังอพรติดตามไปอีกห้าร้อยรูปจาก ที่มาบวชใหม่อ่ะไม่ไม่รู้เท่าทานตามเทวทัศน์ไปอีกก็ต้องให้แก่พุทธองคต้องมานั่งแก้ปัญ ห, หาให้ให้ภาษาลิบุตรพระโมกขลานะไปช่วยฟ้าห้าร้อยรูปมาเนี่ยเพั้นพุทธองคต้องแก้ปัญหาตลอดแต่ใจโอ้โหไม่มีปัญ ห, หาทุกคนมีปัญ ห, หาจะต้องให้แก้หมดยังไม่ตายอ่ะขันห้า ย, ยังไม่ตายต้องมีปัญ ห, หาให้แก้ทุกอย่างแต่ใจเท่านั้นเนี่ยของพุทธเจ้าของพระหลานทั้งหลายเนี่ยท่านไม่ทุกข์กับปัญหา แต่มันก็ต้องแก้ปัญหาใจแก้ปัญหาด้วยใจที่ไม่ยึดให้เป็นทุกข์ใจไม่ยึดให้เป็นทุกข์นั้นเวลาท่านสบายเนื้อสบายตัวสบายกายสบายใจไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่สบายกายไม่สบายใจมันก็มีอยู่แต่ใจอะมันไม่ไปทุกข์กับสิ่งที่ไม่สบาย mm hmm. เวลา เห็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์อนะเวลาท่านท่านเวลาท่านออกไปผ่อนคลายไปรีแลกซ์ท่านก็สดใสมากเลยเวลาท่านจำเจอยู่การสอนจำเจกับลูกศิษย์ที่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่เอ า, ไ ม, เอาไม่เอาถาดเลยเน mm ี hmm. ่ยก็อยู่นานๆเข้าท่านก็จมเหมือนกันนะคือท่านก็ไม่รู้ใจของท่านไม่ทุกแต่กายของท่านก็ไม่รู้สึกว่ามันปลอดโปร mm ่งพอเอาท่านขึ้นรถไปได้ไปในที่ที่มันปลอดโปร่งแล้วก็ หู้ยผูส้สดใสมากหัวเลาะเบิกบานแล้วก็สดใสมากเห็นไหมมันก็ต้องมีมก็คืออย่าไปยึดอะไรมีปัญหาอะไรก็ต้องแก้เวลาจะเล่าเรียนเกณฑ์ห น, นจะสอบเลยแล้วก็เพียนไปแต่จใจนั้นแน่ไม่เข้าไปยึดใจไม่เข้าไปยึดสังเกตให้ดีๆว่าใจมันเข้าไปยึดอะไรไมีอะไร ตอนเราตื่นนอนตอนเช้าอดีมากเลยขณาดที่เราตื่นนอนตอนเช้าเราเรายังไม่ลุกจากที่นอนรู้สึกตัวขึ้นมานะ่ะมันสารพัดจะคิดอะไรเต็ไมไปหมดเลยในตอนนั้นนะ่ะตอนที่เรารู้สึกตัวแล้วตื่นนอนมาตอนเช้าแล้วเรายังไม่ลุกจากที่นอนน่ะมันจะคิดอะไรเต็ไมไปหมดเลยตอนนั้นนะ่ะเราหลับตาไว้มโนภาพในมโนภาพของเราโอ้โหจะมีเรื่องมากหลายมากมายเต็มไปหมดเลยทุกอย่างเลยในใจเต็มไปหมดเนะี่ตอนเราตื่นนอนตอนเช้า เราปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้มันเป็นหรือเปล่าลหลงไปกับความคิดอารมณ์มโนภาพอะไรนระือเปล่าหลงไว้หรือเปล่าถ้าเราไม่หลงไปอ่ะรู้อยู่ว่ามีมีความคิดมีอารมณ์มีมโนภาพอะไรเกิดขึ้นเราตื่นนอนตอนเช้าตอนที่เรายังไม่ลืมตาเนี่ยเรานอนหลับตาอยู่เนี่ยแต่แต่ตื่นแล้วนอนหลับตาอยู่เนี่ยมันจะมีอะไรขึ้นมาในใจเป็นมโนภาพอะไรขึ้นมาในใจเต็มไปหมดเลยเราปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นใครหลงไปกับมันหรือเปล่าล่ะ ถ้าไม่มีใครหลงไม่กลับมาเลยแล้วปล่อยทุกอย่างมันเป็นอย่างที่มันเป็นไม่มีใครหลงไม่กลับมันเลยเวลาตายเนี่ยเวลาเราตายไอ้ตัวที่มันแบบเดียวกันเวลาเราจะตายไอ้มโนภาพองค์นี้ยมันจะขึ้นมาเต็มหมดทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นมันมันอยู่ในใจเราที่มันมีเรื่องมากหายเนี่ยจุกที่ทุกทุ่กทีุกเต็มไปหมดเลยอ่ะแล้วเราปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นเปล่าถ้าเราปล่อยปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นในไอตอนที่เราตื่นนอนตอนเช้าเราหลับตาอยู่แต่มันทุกอย่างมันมันเต็มไปหมดเลยในใจเรา แล้วถ้าเราปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นนะเราฝึกหาดได้ชํานาญไม่มีใครหลงไปกับมันเลยแล้วไม่มีใครพยายามไปดับมันไม่มีใครพยายามไปดับมันแล้วไม่มีใครหลงไปกับมันเราปล่อยมันเป็นอย่างเงี้ยปล่อยมันเป็นอย่างที่มันเป็นมโนภาพอะไรต่างๆเนี่ยมันก็เกิดดับเดี๋กิดดับเดี๋ยวมีเรื่องนี้เข้ามาแล้วนี่มีเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องตลอดเวลาเลยตลอดเวลาที่เรายังไม่รู้จากที่นอนแล้วเราปล่อยให้มันเป็นอย่างที่มันเป็นไม่มีใครเข้าไปแทรกแซงไม่มีใครไม่มีใครหลงไปกับมันแต่่่่่เเเราาไไมชวนนนออออตหลลับปยะ ก็คือเห็นอยู่รู้อยู่ว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นในใจแล้วก็รู้อยู่ว่าไม่ไม่มีใครหลงไปกับมันและไม่มีใครพยายามไปดับมันพอเราปล่อยเนี่ยปล่อยทุกอย่างมันเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองมันมีมโนภาพอะไรเกิดขึ้นมาเต็มหมดเลยแต่ไม่มีใครหลงไปกับมันเลยไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับมันไม่มีใครพยายามไปดับมันเลยเนี่ยเวลาตายจะใกล้จะตายเวลาจะตายมันจะมีมโนภาพพวกเนี้มีมีความคิดมีอารมณ์มีความรู้สึกเป็นมโนภาพอะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลย ในใจของเราแต่ก็ไม่มีใครไปยุ่กับมันไม่มีใครหลงไปกับมันแล้วก็ไม่มีใครพยายามไปดับมันพออสิ้นหลงไปใจไอ้พวกมโนภาพอะไรต่างมันก็ดับหมดแต่ใจที่มันเนี่ยความที่มันไม่ยึดอะไรไม่หลงไปกับอะไรไอ้ความตัวนี้เนี่ยมันสิ้นหลงสิ้นยึดตัวเนี่ยมันก็จะไม่มีมันก็จะหายตัวไปเลยมันก็จะหายตัวไปแต่ถ้าเนี่ตอนตอนเราเนี่ยตื่นนอนมาตอนเช้าหรือมันก็จะเหมือนกันหรือเราตอนเราจะตาย มโนภาพพวกนี้ขึ้นมาหมดเลยแล้วเราก็หลงไปกับพวกมโนภาพเหล่าเนี้ยเราหลงไปเต็มไปหมดเลยเราหลงไปกับมันอ่ะไม่ว่าเกิดอะไรขึ้นเราหลงไปกับมันทั้งหมดแหละอันเนี้ยเวลาเราจะตายจะเป็นแบบเดียวกันคือเราจะหลงไปกับมโนภาพพวกนี้ยเพ้อไปหมดเลยเราจะเพ้อไปแล้วเราก็ตายไม่ดีเลยตอเนี้ยเราก็จะไปอบายมันก็ดูตรงนี้น่ะดูตอนนี้ว่าพลนเในปัจจุบันเราฝึกได้ตอนเราจะตายก็เราก็สามารถเป็นเป็นอย่างที่เป็นอย่างเดียวกัน แต่ตอนเราอยู่ในปัจจุบันเราฝึกไม่ได้ตอนเราจะตายก็เป็นแบบเดียวกันมันอยู่ที่ปัจจุบันนี่แน่เป็นตัววัดคือเราตื่นมาตอนตอนเช้าต้งเกตดูอหรือก่อนนอนเนี่ยก่อนเราที่จะหลับหรือเราตื่นนอนเนี่ยมันมีเรื่องมากมายในหัวเราเต็มไปหมดเลยในใจของเราในหัวในใจเราเนี่ยมีเรื่องมากมายเต็มไปหมดเลยก่อนเราจะหลับหรือเราตื่นนอนตอนเช้าจะมีเรื่องให้เราเนี่ยเรื่องให้เราคิดเรื่องในใจที่มันค้างมาเนี่ยจากเราทํางานมาทั้งวันจากที่เราไปไปพัรษามาทั้งวันเนี่ยตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย มันจะมีเรื่องมากหลายอยู่ในใจเราเต็มไปหมดเลยตอนที่เรานอนหรือตอนที่เราตื่นนอนตอนเช้าเราเนี่ยก็รู้ตัวอยู่คือมันลืมตาแล้วนะมันรู้สึกตัวแล้วแต่เราไม่เราไม่ลืมตาหลับตาอยู่เนี่ยก็รู้สึกตัวอยู่แล้วก็ปล่อยให้พวกมโนภาพต่งตางๆเนี่ยมันเกิดดับเกิดดับอยู่ในใจมันมั่งหลายปล่อยมันมากหลา ย, อ, ย, าลายอู้จิบ๊บจิ๊บจมากเรื่องมากิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิ๊บใิใ๊จของเราเนี๊บจิ แต่ไม่มีใครหลงไปกับมันแล้วไม่มีใครหลงไปดับมันไม่มีใครเนี่ยหลงติดไปกับมันหรือค้อยตามมันไปแล้วก็ไม่มีใครไปหยาบไปดับมันได้แต่นอนรู้สึกตัวนอนรู้ตัวอยู่หรือรู้สึกตัวอยู่เฉยๆแค่นั้นอนรู้สึกตัวหรือรู้ตัวเฉยๆแค่น้เพราะอะไรเพราะเรารู้สึกว่าเดี๋ยวเราจะตายเราก็ต้องอยู่ในท่านอนนี่แหละส่วนใหญ่ก็ตายในท่านอนอที่นั่งตายหรือว่ายืนตายหรือว่าหรือหรือจะตายในท่าอะไรแปลกๆส่วนใหญ่มันมีน้อยส่วนใหญ่ก็นอนตาย เพราะนั้นเราก็นอนเนี่ยฝึกหัดนอนเนี่ยนอนมโนภาพแรงต่างๆที่ก่อนเราก่อนที่เราจะหลับเนี่ยหรือตอนที่เราตื่นนอนตอนเช้าแล้วเราเรารู้สึกตัวแล้วแต่เราก็ยังไม่ลืมตาเราก็ปล่อยให้ทุกอย่างที่มันอยู่ในหัวในใจเราเนี่ยมันมโนภาพต่างเนี่ยมันเกิดมากมายไก่กองในใจของเราเนี่ยนี่ใครหลงไปกับมันไหมมีตัวเราเนี่ยหลงไปกับมันไหมหลงไปร่วมไปมีอารมณ์ร่วมกับมันหลงไปกับมันไหมหรือว่าเราเนี่ย พยายามไปไล่ดับมันไหมหรือแค่รู้สึกตัวอยู่เฉยไม่ไม่หลงไม่มีอารมณ์ร่วมกับมันบางที่มันมันมีมโนภาพอะไรหมดอ่ะทั้งความรักความชังความกลัวความรักความชังความกลัวอะไรมันเกิดขึ้นเต็มไปหมดในใจอ่ะทั้งความรักความกลัวความความได้อย่างใจไม่ได้อย่างใจหมุนหมองอะไรต่างๆอ้วมันเต็มไปหมดเลยในใจอ่ะเราหลงไม่กับมันไหมหลงไม่มีอารมณ์ร่วมกับมันไหมถ้าเราไม่ไม่หลงไม่ไม่ีอารมณ์ร่วมกับมันเนี่ยเป็นที่แน่ใจว่าตอนเราตายก็ไม่หลงไม่กับอะไร แต่เราตายตอนเราจะตายมันแบบเดียวกันเราก็จะไม่หลงไม่กลับอะไรเลยแล้วก็ปล่อยให้ทุกอย่างเนี่ยมโนภาพมันดับหมดไปก็ความที่ไม่หลงไม่กลับอะไรก็หายตัวไปอันนี้เราฝึกตลอดเวลาไม่ใช่ว่าเราไปแยกว่าโอ้เราเดี๋ยวเราทํางานก่อนเราสอบก่อนเราต้องมาเรียนก่อนต้องสอบอะไรได้ก่อนเราค่อยมาฝึกจิตอะไรไม่ใช่เราฝึกได้ตลอดเวลาไปแล้วทุกขณะปัจจุบันพอเราฝึกเนี่ยตอนเรานอนเนี่ยตอนก่อนนอนตอนตื่นนอนเราฝึกเป็นเราก็ฝึกในชีวิตประจําวันเนี่ย เราก็สามารถมาฝึกในชีชชชาวิตประจำวันว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นมาในใจของเราเนี่ยเราก็สามารถดูออกว่าเราหลงไม่มีอารมณร่วมกับสิ่งนั้นไหมหรือว่าเราพยายามไปไล่ดับเขาไหมถ้าเราไม่ไปหงุดหงิดไม่ไปมีอารมณ์ร่วมกับเขานแน่ทุกขณะปัจจุบันเราก็พอมองออกแล้วว่าเราเนี่ยถ้ทาทานจะรอบปลอ ด, อดภยัยเราจะสามารถจะตายแล้วหายตัวไปได้ปลอ ด, อดภยัยเราปฏิบัติปฏิบัติมาทั้งหมดเนี่ยมาใช้ตอนตายนี่นะ ไม่ได้ไใช้อะไรหรอกก็คือแต่มันซ้อมมามันซ้อมในขนาดปัจจุบันนี่จะเป็นเกิดความมั่นใจว่าเราตายแล้วเราหายตัวไปไม่เหลือตัวตนให้ยมาทู่มาลากออกไปก็มีที่ว่าเราที่ว่ามีส่งเรื่องอไปที่ว่าอะไรเรื่องที่เขาแจกมาแล้วเราส่งเรื่องต่อให้ไปเรื่องเรื่องไต้ซือใต้ซือจินปี้ฟงที่ว่าท่านเข้าฌานเก่งมากเลยแล้วก็จนกระทั่งท่านอายุติดอะไรหละแล้วเข้าฌาน อยู่แล้วก็มายึดติดอะไรจนกห้องเต้จนห้องเต้โอ้ศรัทธาก็เอาบาดยกบาดยกหุ้มทองคํามาถวายบาดยกหุ้มทองมาถวายเอใซือจินพี่พงศ์โอ้โหสติขาดสติไปชอบไปชอบบาดยกอันนี้มากเลยชอบบาดยกนี้มากตัวนี้ตอนเข้าฌานเข้าฌานอยู่ อ่าวไปเกิดท้นอายุขายตอนเข้าฌานท้นอายุขายตอนเข้าฌานยมมาทูตโยมบาลพยาโ ย, ย, ยมมาลาดก็ให้ย ม, มาทูตเนี่ยมาเอาวิญญาณของใต้สือจิตปีโปงไปเอก็หาไม่เจออ้าวเอาวิญญาณของจิตหรือวิญญาณของเนี่ยใต้สื่อไม่เจ อ, เอทำไมหาไม่เจอเพราะอะไรท่านเข้าเข้า น่าจะเข้าไปถึงอลูปฌานมันว่างเปล่าไปหมดเลยเลยมองหาไม่เจอตามหาไม่เจอจะทํำยังไงเลยไปถามไปถามเน่ภูมิเท ว, วดาว่าเอ๊ะทาไมหาหาจิตวิ ญ, ญญาณของใต้สือไม่เจอก็เลยภูมิเท ว, วดาก็เลยตรวจดูตรวจดูว่าเอ๊ยยังไม่สิ้นความยึดถือนะยังไม่สิ้นความยึดถือ เพราะว่า ม, มียึดถืออยู่อย่างหนึง่งยึดถือบาดยบทองคําถ้าเราไปตามหาบาดยกทองคําเจอ่ให้ไปตามหาบาดยกทองคำไม่เจอบาดยกหุ้มทองให้เจอแล้วไปเคาะให้มีเสียงดังขึ้นมาเดี๋ยวเต้สือก็จะได้ความยึดยึดในบาดยกใครมายุ่งกับบาดยกเราก็จะออกมาจากชานแล้วก็จับตัวเอาไปได้ก็เลยยามาทูตก็ไปหาบาดยบจนเจอแล้วก็เอามาเคาะสามที ไต้ซือ้อก็เลยเอาใครมาเคาะบาตรยกก็เลยออกมาเลยพอออกมาปุ๊บอ้าก็เลยไปถามกับยมมาทูตโยมมาทูตก็เอ่อว่ารู้ความจริงว้โยามทูตจะต้องเอาตัวไปแล้วเอาตัวไปพิพากษ า, ษาคือเอาเอาจิตวิญญาณเนะ่ยไปพิพากษาจิตวิญญาณหรือใจอ่เอาไปพิพากษาอ้าวไต้ซื้อก็เลยสลดสังเวชว่าเราปฏิบัติธรรมเนะี่ย ทำความเพียรมานานหลายปีเพราะติดอยู่ในบาตดยกของคําเนี่ยบาตดยกคุ้มทองเนี่ยแค่นั้นแน่ทําให้เราเนี่ยต้องถูกย ม, มาทูตเนี่ยพาตัวไปพิพากษาล้วก็เลยบอกขอร้องย ม, มาทูตว่าเดี๋ยวขอโอกาสหน่อยได้ไหมบอกว่าขอขอเวลานิดหนึ่งโยมมาทูตก็ได้ทุ่มบาตรยกแตกเลยเอทุ่มบาดยกแตกปุ๊บ ใจสิ้นความยึดมั่นถือมั่นเข้าวิปัสนาญาณปล่อยวางทุกอย่างลงบรรลุอรหันต์ไปเลยอ้าวจิตรญญญหรือวิญญาณหรือหรือใจตั้งเดิมแท้มากลับหายไปหมดเลยจิตรจหรือใจหรือวิหรือวิญญาณก็หายตัวไปเลยเพราะว่าสิ้นยึดแล้วไม่มีจิตไม่มีใจไม่มีตัวตนเนี yeah. ่ยก็เลยอ้าวหายตัวไปแล้วไม่สามารถที่จะเอาจิตหรือใจหรือวิญญาณเอาไปเอาไปพิพาก ษ, ษาได้ ที่ต่อไปที่ท่านหัวข้อเรื่องนี้ที่บอกว่ามีใจจึงตามได้ไร้ใจจะตามได้ที่ไหนก็คือแบบเดียวกับที่หลวงตาสอนนี่แหลโอ้อย่าไปยึดอะไรก็คือใจที่ไม่ยึดอะไรก็ดูว่าก่อนเรานอนหรือตื่นนอนแล้วเนี่ยเรายัางเรารู้สึกตัวอยู่เนี่ยแล้วเราก็ ดูสมโนภาพอะไรมันจะขึ้นมาเตมอะไรก่อนเรานอนกับหลังเราตื่นนอนเนี่ยมโนภาพเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นมันในใจเราเต็มไปหมดเลยเราก็เนี่ยรู้สึกตัวอยู่เฉยๆดูที่ว่าเราหลงไปกับสิ่งนี้ไหมหลงไปกับมโนภาพพวกนั้นไหมความคิดอารมณ์ความรู้สึกต่างๆที่มันเกิดขึ้นในใจเราหลงไปกับมันไหมหรือว่าเราหลงไป่มีอารมณ์โลกกับมันหรือว่าไปพยายามไล่ดับมันไหมถ้าเราเนี่ยไม่หลงไปกับมันแล้วไม่พยายามไปไล่ดับมันอยูนอน่กับ sí yes, ความรู้ส<ค>ึกต wow. ัวได้ตลอดเวลา เวลาเราตายแล้วเนี่ยนะครับมันจะรอดปลอดภัยแล้ว